รายการทานเล่นหลังเลิกเรียนครับรายการที่จะพาพวกท่านไปเปิดพื้นที่การเรียนรู้หลากหลายสำหรับคนทุกวัยนะฮะพบกับผมครับครูจิ๋วสุพเมศหมายมุ่งครับผมครูไก่ชิงชัยสายศิลป์ครับรบัต ด, ดี้สามัญประจำบ้านอ่าฮนะ <c oughs> นะครับก็เราเป็นรายการใหม่นะครับก็ขอมาเจอกับผู้ชมทุกท่านในทุกวันอาทิตย์ครับผม อย่าลืมนะครับรายการสถานีเล่นหลังเลิกเรียนครับผมเอครูไก่ครับสถานีเล่นหลังเลอกเรียนที่เรากาลังทารายการนี้เราจะมาคุยอะไรกับผู้ชมครับอ๋อสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้รายการของเราเนี่ยะเป็นรายการที่เปิดพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเราจะเอาเรื่องราวของผู้สูงอายุ คนพิการเยาวชนนะอเอามาแลกเปลี่ยนกันแลกองความรู้กันเพื่อทำให้เกิดการเล่นกันเกิดขึ้นในรายการนี้อ๋อนี่ชวนคนสามกลุ่มนี่มาเล่นกันเหรอครับมาเล่นกันนะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่เราแก่ถ้าเราหยุดเล่นอ๋อ อ, อ, อ, อ, ออย่างนี้เองคือชวนคนมาสนุกว่า ง, งั้นเถอะใช่ใชครับและผมเชื่อว่าเมื่อเราเล่นเราก็จะสนุก และเมื่อเราสนุกแปลว่าเวลาของชีวิตที่มันเคลื่อนไปมันก็จะเต็มที่ไปได้วยความสนุกความสนุกนั้นมันแจกจ่ายไปถึงผู้คนรอบข้างด้วยออพอเราเล่นปุ๊บเรากลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสําหรับผู้คนรอบข้างเราทันทีอ๋อใช่โอ้โหพอเราเล่นพอเราสนุกเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกับคนอื่นอ๋อน่าสนใจมากเลยครับครูกไก่ครับอ่าแล้วไอเราเล่นเนี่ย เราแล้วเราจะเล่นอะไรกันครับเราเป็นครูสอนละครอ uh huh. แล้วเราก็เห็นว่าละครนี่แหละมันเป็นเครื่องมือไว้สาหรับให้คนเล่นกันอท่า uh huh. นผู้ฟังอาจจะเคยจําได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยติ้งต่างใช่ไหมฮะเราสามารถเด็ดใบไม้มาซื้อขนมกินได้ oh, ตอนเด็กผมจําได้ครับเรากลายร่างเราตายได้สามครั้งสี่ครั้งเรากลายร่างเป็นฮีโร่เรากลายร่างเป็นโจรร้ายเรากลายร่างเป็นสัตว์ป่าเรากลายร่างเป็นโน่นเป็นนี่ แล้วก็ไม่มีอะไรผิดด้วยนะเราเล่นจนลืมวันลืมคืนพอตื่นขึ้นมากลับขึ้นมาจากเล่นเราก็ยังอยากเล่นอยู่วันเวลาของชีวิตมันเต็มไปได้วยความสนุขขกหาเรายังเล่นอยู่นะฮะนี่คือเป้าหมายปลายทางของสถานีเล่นหลังเลิกเรียนเลยเราไม่หยุดเรียนรู้แต่เราจะเรียนรู้ผ่านการเล่นโอ้อย่างงี้นี่เองครับเลยคิดว่ารายการสถานีเล่นหลังเลิเลกเรียนเนี่ย ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้บุ้คนได้มีโอกาสได้มาเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับครูไก่ใช่ครับคือชุมชนละครมอโกใหม่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเรามีทั้งเด็กแท้คนแก่อยู่ด้วยกันครับเพราะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็าจะแก่ลงครับแต่เราจะแก่ลงยังไงอเราต้องการแก่ลงและเรายังสามารถเล่นกับลูกกับหลานเราได้อยู่เราไม่ปล่อยทิ้งใครโดดเดี่ยวลำพัง Mm hmm. นี่คือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของรายการสถานีเล่นหลังเลิกเรียนด้วยครูไก่ครัครบผมยังจำผมจำวันนี้ได้จําที่ครูช่างอาจารย์ชุมพรคันเจนเรือง พ, ย, พยายามสอนเราบอกว่าละครมันคือการเล่นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยยึดหลักว่าเมื่อไหร่เราเล่นละครเมื่อนั้นเราต้องสนุกและสอดคล้องกับที่ครูไก่พูดเมื่อกี้ว่า แค่เปิดพื้นที่มาเล่นกันก็ก็แสดงว่าสามารถพอมาเล่นกันมันก็สามารถเป็นละครอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับชีวิตกับละครมันบางทีมันไม่ใช่แค่การแสดงนะฮะแต่มันเชื่อมโยงเข้ามาหาชีวิตเรามามาจัดการรูประบบระเบียบของชีวิตเราด้วยเพราะว่าปลายทางเราคืออะไรเราเล่นเพื่อเราสนุกและเพื่อนเราสนุกด้วยแปลว่ามันก็จะมีการจัดการระบบระเบียบของภายในของเราเองการลดตัวตนการลดอัตราทั้งหมดเป็นศาสตร์ของละครหมดเลย ครับผมโอเคนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้จักเรื่องของละครละครจริงๆคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาไม่ต้องไปกังวล น, นะครับได้ยินคำว่าละครแล้วตายแล้วก็จะจับฉันไม่เป็นแสดงละครโทรทัศน์แสดงหนังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนีชน่ชวนมาเล่นนะฮะชวนมาเล่นแต่เนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนละครก็เลยเนําละครเนี่ยมาให้ คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วว่าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยได้รู้จักกันด้วยนะครับจริงๆละครมันไม่ได้มีความหมายอะไรอื่นเลยมันผันองค์ประกอบแค่สามอย่างเท่านั้นเองครับครับผมกเตีวครับ อ, องค์ประกอบที่หนึ่งคือนักแสดงครับอื ม, มีนักแสดงสองมีคนดูพอมีนักแสดงก็งเป็นคนดแูแล้วก็ต้องมีคนดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือมีเรื่องราวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วสามอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ในละครอย่างเดียวนะครับจริงๆมันมีมานานกว่านั้นแล้วครับครูไก่เออเออในวัดเป็นไหมครูไก่ว่าอืมในวัดถ้าพระเทพพร ะ, ะเป็นนักนสแสดงอ่าแล้วใครคือคนดูก็อุบาสกอุบาสิกาใชครับอ่านั่นไงครับและอะไรคือเรื่องราวก็พระธรรมคาสอนที่พระเทศน้าเนี่ยเป็นละครแล้วที่ท้าวที่โรงเรียนเป็นละครไ่ม ที่โรงเรียนเป็นละครไหมใครนักแสดงเ อ, อ่อในชั้นเรียนนะก็เป็นคุณครูเป็นนักแสดงนั่นแนหะใครคือคนดูก็นักเรียนสิครับนั่นแหละและอะไรเรื่องราวเรื่องราวก็วิชาความรู้ที่ครูสอนนั่นไงครับจริงๆแล้วละครมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่ทุกที่เลยขอให้มีแค่อค์ประกอบแค่สามอย่างนี้นะครับครูไก่คื อ, อมีแค่นักแสดง อ, อมีคนดูมีเรื่องราวนี่ยไปสถานีเล่นหลังเรียนนี่ จออย่างนั้นเลยเจอเลยมีคนฟังแน่นอนมีคนดูแน so ่นอนแนนน่อเราเป็นนักแสดงแน่นอนแล้วเรื่องเรามาจากไหนฮะเรื่องเราวเอาจากตัวเราเองครับเรารู้ดีที่สุดไม่ต้องไปเล่าเรื่องคนอื่นครับเพราะเราไม่รู้จักเรื่องคนอื่นเอาไว้นินทานะครับแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่ามันมีรายการสถานีเล่นาดูเรียนมาให้เราได้ติดต่อช่องทางแต่ก็มีสถานีที่เป็นกิจกรรมด้วย นสถานีกิจกรรมสถานีเล่นหลังเลิกเรียนซึ่งจัดอยู่ที่ชุมชนบ้านเรียนละครมรดกใหม่ครับครูไก่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชุมชนนี้ในเบรกหน้ากันจะได้รู้จักสถานที่มันอยูเอ๊ะ e, มันอยู่ที่ไหนนี่รายการใหม่มาแนะนํานสังทีมันอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกั น, นครับไปครับ ควบคุมให้ใจปกติธรรมดาทางกายมีสารร้ายรอ สวัสดีครับเป็นเพลงประกอบละครจากเรื่องสุภาพสิทธิ์้อนหญิงเนี่เป็นละครเรื่องหนึ่งที่คณะละครมรดกใหม่ใช้ในการแสดงให้กับน้องๆทั่วประเทศได้ดูด้วยเราก็ใช้เล่นให้กับน้องๆวัยรุ่นเน้นว่าน้องๆวัยรุ่นเพราะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสาวสกอยคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีศัพท์นี้ด้วยจาได้นะครับสาวสกอยนะครับสาวสกอยเบนเนเบนะครับ จริงๆเขามีหลายเพลงครับพเพราะ่าก็มีละครหลายเรื่องละครนี้ใชนะ่ส่วนเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนั้นซึ่งเนื้อหาของละครก็จะพูดถึงทำยังไงให้คนทั้งสองกลุ่มเข้าใจกันนะโดยการดึงเรื่องราวของสุภาพสิทธิ์สอนหญิงเข้ามาใช้ซึ่งบางทีเราก็ถูกเด็กๆวัยรุ่นมองว่ามันใช้ไม่ได้แล้วในยุคสมัยนี้ แต่พอเอาเรื่องราวของเด็กๆจริ ง, รงเอาปัญหาที่เขาเห็นจริงจริงมาตีแผกมาแล้วนำสะท้อนกลับไปหาตัวบทวรรณคดีซึ่งเด็กๆเขาได้เรียนอยู่แล้วทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นเขาเข้าใจในสิ่งที่สุนทรภูดต้องการจะสื่อถึงซึ่งมันข้ามยุคสมัยมาพูดถึงได้ในทุกยุคทุกสมัยวิธีการก็คือเอามาเชื่อมกับประสบการณ์ตรงของคนดูเองของนักเรียนเองนะครับ mm hmm. เรื่องนี้ นี่เรายัางพูดเรื่องนี้อยู่ว่างั้นเถอะเรื่องของอสุภาษิตสอนหญิงต้องรู้จักวิธีคลองเรือนจริงๆที่พูดเรื่องนี้ชุมชนบ้านเรียนละครมรดกใหม่นะครับหรือเราพูดกันสั้นคณะละครมรดกใหม่เนี่ยจริงๆแล้วก็อยากพาคนในชุมชนเด็กๆที่นั่นไปในทางนั้นด้วยนะครับก็เลยได้สร้างชุมชนนี้ขึ้นเดี๋ยวก็เรียกว่าชุมชนบ้านเรียนละครมรดกใหม่บางทีก็เรียกว่า าาคณะละครมรดกใหม่ทำไมผมพูดดูพูดกลับไปกลับมาจังเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนี้ ค, ครูไก่แบบสั้นๆนะแบบสั้นๆให้ผู้คนได้รู้จักคือแต่ก่อนเนี่ยเราเราเรียกว่ า, า, าคณะละครระดกใหม่นะครับคือจริงๆมันมีมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับก็คือเราก่อตั้งอยู่ที่คลองหกธัญบุรีเนี่ยแต่อยู่ในเขตอาเภอคลองหลวงเนี่ยนะครับอยู่ถัดจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีไปเนี่ยนะครับ คือเรามาอยู่ที่เนี่ย15ปีแล้วครูกไก่เรามาอยู่15ปีแล้วแต่จริงจริงก่อนหน้า15ปีเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนของคณะลครม ร, รดกใหม่ที่ทำละครมามากกว่านั้นด้วยตั้งแต่เป็นรายการโทรทัศน์อันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงในรยาวเอาว่า15ปีมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ยังไงกันดีกว่าแต่กว่าจะมาถึงตรงเนี้ยคนที่ก่อตั้งก็คือครูช่างอาจารย์ชมพันธ์จันเรืองคิดยังไงมาตั้งที่นี่15ปีแล้ว ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือครูเป็นดาราต้องบอกว่าครูเป็นดาราดาราเป็นดารดารเป็นดารด า, รารและผูู้มีลูกศิลูกหามากมายด้วยผมว่าสารสวอัพรู้จักคนนี้ดีครับอาจารย์ชมพันจันเรืองหรือว่าเราเรียกกันเต็มปากว่าครูช่างเนี่ยทั่วประเทศเราเรียกครูช่างเด็กก็เรียกครูช่าง ผมมันก่อนไปละครที่โรงเรียนไหนไม่แน่ใจคุณครูก็เกือบจกเกษียณแล้วก็เรียกครูช่างเหมือนกันนะฮะเป็นครูช่างของทุกคนของประเทศไทยเราก็คือท่านก็ออกจากวงการเนเป็นดาราแต่ออกจากวงการเพราะว่าท่านมองว่านะมันไม่ได้พัฒนาผู้คนจริงๆแต่แต่ที่น่าสนใจคือระหว่างที่ท่านเป็นดารา<ม>เป็นอาจารย์สอนละครอักอรรษรศาสตร์จุฬาด้วยนั่นแหละ นั่นแหละความรู้เต็มเตมเลยทำไมทำไมไม่ยังไม่ทำตรงนั้นดังเดิมทำไมต้องออกมานะครับก็คือท่านอยากจะสร้างคนจริงๆก็เลยหาทางที่จะมาเก่อตั้งคณะละครจริงจริงที่ทำอาชีพได้จริงๆเพราะาเมื่อก่อนท่า น, นบอกว่าท่านเห็นอ่าลิเก ก, ก็อยู่ได้หมอรำอยู่ได้นะครับหนังตลุงอยู่ได้ทำไมละครจะอยู่ไม่ได้ะนะครับ ค, คือเริ่มต้นจาก ทำคณะละครเร่ก่อนทำนักคณะละครเร่ก่อนครับแล้วก็มาอยู่ที่ R C A แล้วก็ย้ายมาอยู่กลางป่ากลางดงเมื่อก่อนเรียกว่ากลางป่ากลางดงนะครับผมจาได้ว่ า, าที่แห่งนี้ตอนมาซื้อทีแรกนะ่มีคนบอกว่าเวลาที่ที่เขาสกัดยาพวกสารพิษเซรุ่มต่าง ๆ, น า, ๆนานาเนี่ยเขาจะมาปล่อยงูพิษที่นี่ที่เราเขารีด อะไรที่ผิดเสร็จแล้วอ๋อที่นี่คือแหล่งงูทั้งนั้นเขาบอกนะครับแล้วก็หวาดเสียวแต่ตอนนั้นเราก็เป็นป่าหญ้าคาด้วยมีป่าข้าวด้วยร่องน้ําร่องน้ําด้ว ย, วยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหความเจริญมาถึงนี่นะครับปั๊ม ป, ปัน้ํามงน้ํามันบิ๊กซมบิ๊ซีมาโอมาเต็มกันหมดแล้วผมจํำได้ว่าตอนที่เรามาถึงที่นี่ครั้งแรกทุกคนก็ถอดใจนะ <S 1> <S 1> <negative. S 2> เราอยู่ในแสงสีในเมืองอยู่ดีครูช่างก็ พาพวกเราขับรถมาแล้วก็ไปชี้ให้ดูว่าที่นี่มันจะกลายเป็นชุมชนเราจะมาทำชุมชนที่นี่อไอ้เราก็มองดูโอ้โหไม่อะไรนี่มีต้นกระถินอยู่3ามต้นที่เหลือคอคือร่องน้ำทั้งนั้นเลยแต่มันก็เป็นแล้วครับพวกด้วยความที่ครูช่างก็ท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่อยากจะทำเต็มที่นะครับเป็นทั้งดาราเป็นทั้งคุณครูที่สอน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังท่านยังได้รับนะครับรางวัลศิลปินศิลปกรทอนด้วยนะครับ <S <S <ม>นะท่านก็มาทำที่นี่เต็มที่ด้วยความรู้ความสามารถของท่านที่จะอุทิศกับเด็กๆจริงๆพอทำเป็นคณะละครปุ๊บหลังจากนั้นท่านก็พบว่าแค่ทำละครไปให้คนดูไม่พอนะครับให้คนดูไม่พอเพราะว่าคนดูดู2ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ ไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่ต่อเนื่องคือโรงเรียนนะครับครูช่างก็เลยบอกว่าเอาล่ะหลังจากนี้เราจะทําโรงเรียนกันนี่นี่คื อ, อสาเหตุที่มาทําคณะลครมรดกใหม่แล้วก็พอทําเป็นโรงเรียนปุ๊บเอ๊ะมีแค่ครูกับนักเรียนไม่พอท่านก็เลยว่าชวนผู้ปกครองมาด้วยชวนมาอยู่ได้เลยเลยกลายเป็นชุมชนกลายเป็นชุมชนเราก็เลยเออให้มันดูมีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาอยู่เต็มไปหมดเลย มีคุณตาคุณยายมาจากน้องคนนี้ ม, มาพักอยู่พาษายมาเป็นสาย<ม>าเลยมาเป็นสายแล้วมันเล่นกับเด็กๆเราโอ้ดูเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยวเว้เราก็เลยว่าเอองั้นเราขอเรียกที่นี่ว่าชุมชนบ้านเรียนละครมดใหม่ดกมี ก, กว่าซึ่งเพราเาในชุมชนของเรานี่ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งมีคณะละคร อ, อยู่ในนี้มีคณะละคร อ, อยู่ในนั้นมีมูลนิธิอยู่ในนี้ด้วยมีมูลนิธิอยู่ในนี้ด้วยครับแลวก็มีโรงเรียน ที่เรียนแบบโฮมสกูลเรียนแบบโฮมสกูลเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรีใช่ครับไม่น่าเชื่อเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีที่สําคัญข้อนี้ที่ครูช่างตั้งบรรทานคือต้องการให้ความรู้กับเด็กฟรีเลยใช่แม้กระทั่งครูครูเองที่อยู่ในบ้านเรียนนี้ในชุมชนนี้ไม่มีใครรับเงินเดือนเลยไม่มีใัเงินเดือนเลยเอาทามาขนาดนี้พูดมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอ้เราเนี่ยตั้งใจทำขนาดเนี้ยทาไปทำไมเราทําไป งั้นให้ฟังเพลงละก่อนอีกสักห่ะใจสายลมพัดผ่านไปหัวใจไม่เปลี่ยนแปลมันคงไม่เคยออก ที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อกี้นะฮะคือเพลงประกอบละครอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นละครที่คณะละครมอนกใหม่ของเราได้ทาร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนนะฮะทั่วประเทศเลยหศูนย์ที่มารวมตัวกันแล้วก็เป็นเด็กที่เขาเล่าเรื่องราวของเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะ <c oughs> เพลงนี้แต่งโดยครูท่านอาจารย์ธนชนจันเรืองนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็เป็น ครูคนหนึ่งของคณะละครมอรดกใหม่แล้วก็เป็นครูที่มากฝีมืออีกคนหนึ่งซึ่งในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เชิญเขามาพูดถึงเรื่องราวของละคระพูดถึงเรื่องราวของมอรดกใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อไปด้วยนะครับครับผมครับคูณไก่จริงๆโรงเรียนมันก็มีเยอะใช่ไหมครับทำไมเรายังมาทําโรงเรียนอีกนําท่านโรงเรียนแตกต่างออกมาด้วยนะครับโรงเรียนเนี้ยสอนทุกอย่างผ่านละครหมดเลย ใช่คแปดกลุ่มสาระวิชาเนี่ยสอนผ่านละครหมดเลยลเพราะว่าละครหนึ่งเรื่องคูกไก่ละครหนึ่งเรื่องมันสามารถเรียนรู้ได้ทั้งแปดกลุ่มสาระเลยนะครับแล้วกูช่างแกก็เชื่อมั่นมากเลยว่ามนุษย์คือเวเนยร์สัตว์ใช่เพราะมีคนที่ทํายากกว่าเรามาแล้วก็คือพุทธองค์อืมเคยเปลี่ยนคนเคยเปลี่ยนโลกเคยเปลี่ยนอสิ่ง ไม่ดีอะไรอ่างแต่ไหนะให้แนวทางเราไว้แล้วแล้วก็พุทธองค์ก็ยังเชื่ออยู่ว่ามนุษย์ทุกคนมีฐานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนครับไอชุมชนบ้านเรียนนะครมรดกใหม่ครับคณะลครมรดกใหม่ก็เลยกได้เกิดขึ้นที่พรองหกนี้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราตั้งใจที่จะสร้างเอาไว้เพื่อให้เด็กๆได้ มีอีกช่องทางนิดที่เขาสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้ได้จริงๆเราต้องการสร้างคนที่เราต้องการมนุษย์ที่มีทักษะมีความคิดและที่สำคัญคุกไกมีฮิริโอตัปปะซึ่งที่นี่พยายามพาเด็กๆของเราไปในทางนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือละครเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์ ทุกคนสามารถมีพื้นที่ที่จะขับศักยภาพของตัวเองออกมาได้หมดเลย mm hmm. เพราะในขณะที่ทำละครเรื่องหนึ่งเราเรียนรู้ที่จะทำชากันเอง mm hmm. เขียนเรื่องราวกันเอง uh huh. กํากับกันเองแล้วเอาอย่างนั้นมันพัฒนาสกิลอื่นๆด้วยดนตรี uh huh. รำ <Cut. S 1> ทักษะกระบวนการคิด uh huh. ทักษะกระบวนการเล่าเรื่องโดยมีปลายทางเราก็คือ ทำยังไงให้เรื่องที่เราเล่าให้สิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์และเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้จริงอ่านี่คื อ, อสิ่งที่เราเอามาเอาไว้ที่ชุมชนนี้เลยและตอนนี้มันสามารถโอเพนสามารถเปิดให้ใครๆเข้ามาใช้พื้นที่นี้ได้ด้วยนะครับได้ด้วยนะครับก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่ที่นี่นี่เราก็ทาอยู่ในมืออัที่เคยเล่าในช่วงแรกใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาอ ถึงที่นี่15ปีแล้วนะครับคู่ไกลเรามาอยู่ที่นี่15ปีแล้วอยู่ที่คลอง6เนี่ยมาแรกๆคนก็ไม่ค่อยรู้จักเราหรอกเพราะว่าวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงกลองตอนตี4ี่ครึ่งบางทีตี5้นช่วงแรกนะฮะหลังจากนั้นไม่นานตีสครึ่งประจำผมเคยได้ยินที่คุณพ่อคุณแม่อยู่แถวๆคลองหแถวเส้นอรซอยคลองหตะวันตก27เขาว่ากันว่า ถ้าได้ยินเสียงกลองเมื่อไหร่นั่นคือตีสี่ครึ่งเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องรีบลุกมาอาบน้ําไปทํางานไม่ต้องมีเลยการบุกหนะ้าเขาแต่ไหนจะในขณะเดียว ก, กันตีสี่ครึ่งคือช่วงเวลาแรกที่เด็กๆเขาจะเริ่มเริ่มต้นคาบเรียนเขาเลยใช่แล้วเราเรียกว่าคล้ายๆกับถ้าเป็นวัดก็บ้านเรียนวัดความามตต์ใหม่เขาก็าเหมือนทํวาวัดเช้าทํวาวัดเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาฝึกฝนทักษะของตัวเองครับร้องรําเล่นลันนา เล่นดนตรีแล้วก็ฝึกท่องอคยานที่เป็นความรู้นะครับจนถึงประมาณ8โมงเช้าที่เหลือคือเล่นทั้งวันใช่ครับคณะละครมดกใหม่หรือบ้านเดือนละครมอดอกใหม่ของเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าวิธีการเรียนที่มันได้ผลที่สุดมันไม่ต้องไปวัดกันที่เกรดแล้วไม่ต้องและทละครคือไดอ้ละครมันสอนเนี่ยทำได้ไหม แสดงได้หรือเปล่าอเอาไปเล่นให้คนฟังได้ไหมเอาไปเล่นให้คนดูได้หรือยังเล่นได้ดีหรือยังใช่แล้วและพอเขาเจอสิ่งที่เจอคนดูของเขาปุ๊บเขาก็รู้เขาก็จะฝึกที่จะเรียนรู้ว่าคนดูควรฟังอะไรคนดูควรได้อะไรแล้วเขาขาดทักษะอะไรเพื่อพัฒนาไปให้คนดูของเราถึงเป้าหมายให้ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่นี้นะ เรายังสอนทักษะชีวิตด้วยที่นี่นะครับ น, นตั้งแต่ทํากับข้าวถ้าใครเข้าไปที่นู่นจะเห็นว่าที่โรงครัวเราไม่มีแม่ครัวนะครับเรามีแต่นักเรียนที่เป็นพ่อครัวฝึกทำอาหารฝึกเป็นเชฟนะครับและถ้าใครคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีโอกาสไปเยี่ยมเราใครมีเมนูเด็ ด, ด, ดในมื อ, อมไปสอนเขาได้นะครับนะเป็นเป็นคลาสเรียนขึ้นมาได้เลยเด็กๆไ ด, เด้เรียนรู้ด้วยนะครับ ก็มีเพื่อนๆเรามากหน้าหลายตาที่เดินทางมาเอาทักษะเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองมีหรือทักษะบางคนเพื่อนเราบางคนมาจากต่างประเทศเป็นศิลปินระดับนานาชาติระดับโลกมามาทดลองใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็กๆแล้วเขาก็คิดว่าโอ้ตรงประเทศไทยมันมันโชคดีมากเลยเพราะว่าประเทศประเทศไทยอาจจะเรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่ ตรงในพื้นที่ที่มันพอเหมาะไม่ต้องเจอมอรสมุมไม่ต้องเจอพายุหนักๆอย่างประเทศ<อ>เพื่อนบ้านของเราดังนั้นมันกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเราสามารถแบ่งกันได้แบ่งปันกันได้ไม่ต้องสะสมก็ได้รเรามีกินด้วยกัน ปลูกด้วยการลงมือปลูกโยอนอะไรลงไปมันก็ขึ้นเราจะคิดอะไรแล้วก็ปลูกกันนั้น<อ>ปลูกเสร็จแล้วแบ่งปันเพื่อนอแบ่งปันเพื่อนทําให้เด็กๆของเรามีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาสกิลตัวเองโอโอ่าแลว้วก็ที่ครูไก่พูดเมื่อกี้บอกว่ามีเเพื่อนๆของเราจากหลายมุมโลกมาหาเราด้วยมีประเทศไหนบ้างครูไก่จำได้ไหมโอ้จะบอกว่าคณะละครมอโลกใหม่เราเคย ทำเทศกาลละครนานาชาติกับพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ที่บอกว่าคลองหกนี่นะทำชุมชนเล็กๆนี่นะทำละครนานาชาติเรามีเพื่อนบ้านเราเพื่อนๆต่ามประเทศของเรามามาเหยียบที่นี่มาใชา้ชีวิตที่นี่ถ้านับรวมๆกันแล้วผมว่าสมาชิกที่แวะเวียนมาหาเรามาสมาชิกในชุมชนหกสิค น, นถ้านับรวมกันในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 คนคนนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามั่นใจมากว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถเปิดรองรับให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่อยากเรียนรู้เราเข้ามาหาเราได้เพราะก่อนอันนี้ทุกคนก็จริงเกรงเกรงเพรา ะ, ระดินเสียงกลองตอนตีสีครึ่ง <c oughs> น ะ, ะจริงๆแล้วเข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับและพอเรามั่นใจขนาดนั้นก็เลยเกิดโครงการนี้ใช่ไหมครับคูไก่โครงการสถานีเล่น หลังเลิกเรียนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงการที่มีวิธีคิดที่ง่ายมากแบบพุทก็คือเราไม่ต้องทํางานกันมากหรอกเรามาเล่นกันเพราะว่าแผ่นดินมันรองรับเราอยู่แล้วทุกคนมีทักษะเพียงพออยู่แล้วที่จะลุยกับตัวเองที่จะพัฒนาสกิลของตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เอาสกิลที่ตัวเองมีนี้ไปแบ่งปันคนอื่นไปด้วยอืและก็โครงการนี้ครูไก่พูดมาตั้งแต่ช่วงหัวรายการเราว่าเราไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่ แต่เราจะแกเพราะเราหยุดเล่นนะครับนะโครงการนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับกิจกรรมการแสดงเขียนบทด้วยเต้นหี่ลาดด้วยและที่สำคัญผมรู้มาว่าคนแถวเนี้ยชอบเต้นรำวงครับเดี๋ยวเราจะมีรำวงกันมามาเต้นกันเสาร์อาทิตย์นะสนุกสนุกทำกับข้าวกินกันข้าวกินกันและโครงการนี้โชคดีมากเลยก็คือ ถ้าไปเรียนที่อื่นนะฮะคอร์สเรียนเขียนบทกับครูช่างเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแต่นี่เราเรียนฟรีทุกโครงการครับผมครัผมถ้าสนใจกิจกรรมนี้เราจะติดต่อได้ยังไงครับเราจะรู้ได้ยังไงเรามาอย่างไงก็อันแรกเลยเบอร์โทรศัพท์ครับที่จะสามารถติดต่อสอบถามฟังไว้นะครับ0970395437ย้าอีกทีครับ0 9 7 0 3 9 5 4 3 7นี่ะครับที่โรงละครมรดกใหม่นะหทับ10หมู่5ของเรานี่เองนะครับตบลคลอง6นะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือง่ายๆถ้าจะขับรถมานะครับเข้ามาที่ซอยคลอง6ตะวันตก27มาสุดคลองแอนเลยครับเจอเลยยินดีนะครับแล้วก็เพจนะครับ ฟังนะเพจชื่อว่าเพจเฟซบุ๊กนะฮะสถานีเล่นหลังเลิกเรียนหรือจะเทียนี้ก็ได้นึกไม่ออกนึกไม่ชัดโอ้คณะละครมรดกผิดพิมพ์คำว่าคณะละครมรดกใหม่ก็ได้ครับเรามีเพจของคณะละครด้วย พ, พ, พิมพ์เข้าไปในช่อง Facebook ค้นหาในช่อง Facebook ไป uh huh. เจอพวกเราหรือในอช่องของ YouTube ก็จะมีเรื่องราวของพวกเราอยู่ในนั้นคณะละครมรดกใหม่นะครับตั้งใน Google Ma พได้ด้วยนะครับคุกไกพิมพ์คําว่าโงรงละครมรดกใหม่ ก็ S <S <S อยากเชิญชวนใหทุกท่านมาเล่นกันนะ ค, ะครับเพราะว่าวิธีการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเราและก็รูปแบบการเรียนรู้ของคณะลครมันดุหมายก็เรียนแค่1เล่นไปเลยอสองลงมือทําไปเลยแล้ว ก, ก็อกสอะไรดีๆแล้วก็ลอกเลยร เ, <อ>เรียนแบบซะเลยเรียนแบบซะเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเบรกนี้ทิ้งท้ายด้วยเพ่งเพราะๆอีกเช่นเดียวกันครับทุกท่านครับครับผมดินแดนคนอ่อนไหว พบกันใหม่ <rôle front> อธิตน้าครับครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ